ปูรพาร า, ามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินหลวงปู่ดูลเนี่ยท่านจับมืออาตมาเนี่แล้วท่านก็พูดว่าอะไรจําไม่ได้มันจําไม่ได้ตั้งมากมายแต่จําได้เท่านั้นว่ารู้จิตนี่เรานั่งอยู่ขนานี้รู้จิตไหมรู้จิตถึงตัวเองไหมแต่ละคนแต่คนนี่รู้จิตตัวเองไหมแต่อาตมาเนี่ยอาตมาพูดเนี่ยอาตมารู้จิตอาตมาอยู่ไม่รักสติปาาออัจจัยไง เมื่อเราไม่รับงตฤกติการไม่ต้องนั่งหลับตาหรอกเราไม่ทิ้งเราไม่ทิ้งหน้าทีของเราอ่ะแต่นั่งหลับตาในป ร, กรากฏไปที่นู้นไปที่นี่สงบงบงบมันไม่มีแล้วมันมีการปฏิบัติแล้วเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ตื่นอยู่ชาโคลนผู้ตื่นอยู่อาตาปีมีความเพียนเพ่งอยู่มันมีความรู้อยู่อ่ะนั่นแหละถูกทางแล้วขอให้เอาใจายอย่างนี้เพราะฉะนั้นในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยเรารู้จิตของเราไหมใจลราคิดเรื่องอะไรเออใจเราคิดอะไรนี่ เพราะฉะนั้นหลวงปู่ดูลท่านพูดอะไรต่างๆมากมายจำไม่ได้จาได้อยู่แต่ว่ารู้จิตเห็นจิตแม้จิตก็สักแต่ว่าจิตไม่ใช่จิตนี่เพราะฉะนั้นพระนิพพานคือความว่างไม่มีอะไรเป็นสภาพความว่างเพราะฉะนั้นพระนิพพานไม่มีเมืองไม่มีที่อยู่หลวงปู่ขาวท่านมงเพลิงานบอกว่าไม่มีที่อยู่ที่ไปที่มาแต่โบราณเราบอกว่าเมืองแก้ว พนิพพานเป็นเมืองแก้วเพราะฉะนั้นนิพพานไม่มีเมืองถ้ามีเมืองไม่ใช่นิพพานนิพพานคือความดับดับอะไรเล่ลาราคขินาโธศักขีนาโมหักขีนาลาคขก็ของร้อนโมหะก็ของร้อนโธศักก็ของร้อนเพราะฉะนั้นดับไฟสามดวงจะได้พวกเรามาเกิดกันเพราะมีไฟสามกองมีไฟสามดวงเพราะฉะนั้นเมื่อเราดับมันจะได้ เนื้ตมาก็รรมการปรรษาที่แล้วไปจำพรรษาที่วัดยานนลังสีเมืองสตเตอร์ลิงรัฐเบอร์เจเนียประเทศสหรัฐอเมริกาก็มาพิจารณาว่าไอ้หาคำว่าโทรสะเนี่ยมันก็เป็นไฟคราวนี้โทรสะเนี่ยถ้าเราครบกับมันเนี่ยถ้าขืนครบกันไปไเรื่อยจนตายเนี่ยมันก็ทําให้เราไปตกนรกเพราะตัวสะนี่ทําให้เราตกนรกถ้าเราขืนคบกับมันไป มันกะเผาเราให้หน้าตาเหงาหงอยเศร้าสร้อยหน้าตากระดำกระด่างหน้าตาไม่ผ่องใสเพราะฉะนั้นเออไอตัวโทสะเนี่ยพุทธเจ้าท่านว่าโกทังกตะวาสุขังเสติฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุขเพราะฉะนั้นใครอยากมีความสุขขึ้นยกมือขึ้นโอโ้มีแค่เนี้ยเหรอฮะอ่ อ, อคนที่มีอยากมีความสุขไม่แค่เนี้เหรอเอา้าเอามือลงเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีความสุข พุทธเจ้าท่านว่ายอย่างนั้นโกทังคตวาสุขังเสเติฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุขเออแต่ตมาไม่อย่างนั้นดิคิดจะฆ่าหลวงพ่อสนองแล้วเนี่ยเพื่อจะได้เป็นนุพานเจ้าว่าลงต่อไปเออถ้าลงนรกก็ไม่ลงก่อนจะลงนรเข้าตารางซะก่อนเออดีไม่ดีสหลักประหารซะก่อนมีแต่จะมาคิดชั่วเออนี่แหละเพราะฉะนั้นเรามีสติเมื่อมีสติก็มีปัญญารู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักผิดรู้จักถูก เนี่ยเรามีสติเราถึงได้มากันอย่างนี้ถ้าเราไม่มีสติหลงไหลไปก็ไปตายโน่นสิไปสันติก้าผับสินี่เพราะเรามีสติแต่นั่นเขามีสตังเขามีสตังเขาก็ไปสันติก้าผับได้ไอ้นี่เรามีสติด้วยแล้วก็มีสตังด้วยเราถึงมาวัดตะทานเราลุกซื้อซ่อซื้อที่ดินมาติดกันเทศอีกอ้าวกันเทศก็ยกถวายวัดอีกเออฉลาดหรืโอโง่แล้วเนี่ยคนฉลาดเท่านั้นนี่ยเรียก่าเราเป็นชาวพุทธนะได้มาพบพุทธศาสนาได้มีศาสนาเป็นสนะเป็นที่พึ่ง นี่ยมีนาโถนาถามีที่พึ่งจึงว่าไม่เป็นหมันในการที่เกิดมาเพราะฉะนั้นนี่แหละบรรดาเราท่านทั้งหลายขอให้เข้าใจอย่างนี้โก่อทางคัตวาสุขขังเสตียริทำมาจาริงสุขขังเสติผู้วิพธฒรท์ทย่อมอยู่เป็นสุขศีเลนะสุขกติงยันติผู้จะมีความสุขกพระศีล น, นี่ยทั้งว่าไว้อย่างนั้นอีกเพราะฉะนั้นเราอยากมีความสุขโก่อทางคัตวาสุ ข, ขังเสติฆ่าความโกรธจะได้อยู่เป็นสุขก็เลยมาพิจารณาไหายหามือกูนี่คบกัง60นมา้ว ไม่ไม่เรื่องเลยความโกรธมื่อก่อนนี้พระน้องพระเนนไม่ได้หมงหมาเจี๊ยวเจ้าไว้หมดหวยยังมั่งหรืออะไรก็ตามเรืยอย่องตามมาเอ๊ะหากูสามาจากอเมริกามึงยังตามกูมาเลยเ น, นี่ยเพราะฉะนั้นกูโกโหกกลับบ้านกูแม่อาไปด้วยนะกูทิ้งไว้นี่แหละก็เลยทิ้งมันไว้ที่เมืองสเตอร์ลิงรัตวอร์จเนียประเทศสหรัฐอเมริกานอนไม่กลับมาเอ้เอาแต่ความโลภมาเอาแต่ความหลงมาเอ้เอาแต่ความหลงกับความโลภมา ความหลงก็เอ๊ฮ่า ก, กูก็เทศหลายชั่วโมงแล้วไม่ได้ลงจิกธรา ม, มาะเลยกันเทศกูยได้เท่าไหร่โว้ยการที่พุทธมนตร์นั้นใครได้มากได้น้อยกันแต่แล้วเอาวิชาตัวเนี้มันก็ขวาดกระเด็มออกไปเลยจากหัวจิตหัวใจเลยอ้าวเขาให้กูกูก็ให้ต่อไปกูไม่เอาเนี่ยมันก็มีความองอห่าดไม่เข้ากับฐานวันไหวจะกลัว อ, อะไรอ่ะออ้าวมีใครจะถามอะไรบ้างอย่าสงสัย พุทโอธรมโมสังโฆท่านั้นขอให้ทำไม่จริงอ้าจะถามอะไรอีกบ้างหูกางมีปัญญาแต่ตัวเล็กไปเพราะตัวเล็กเ็เห็นอะไรไม่ทำอะไรเล็กๆเงี้ยเออทำบุญก็แบง์เล็กๆแบงค์ยี่สิบบาทเออแบงค์พันบาทก็ไปทำอย่างอื่นซะเออเออไปงี้คนที่ตัวเล็กๆเนี่ยพระคุณทั้งบริการตัวพระคุณตัวเตี้ยไงเราเออตัวเตี้ยเล็ก มือนไม่ทีไม่สังกทานก็มีคนไม่ชีอะไรนะอะไรยางคาอะไรนะอะไรอะไรตัวเล็กเนี่ยเพราะว่าแกทําอะไรเล็กๆมาฮะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อันที่สองพระละกุลทั้งบุตรการตัวเตี้ยเล็กเพราะเขาสร้างจะดีกันที่ใหญ่แกบอกโอ้สร้างมาทำไมใหญ่สิ้นเปืองเงินทองอันนี้แกก็เลยเกิดมาตัวเตี้ยเล็กแต่ก็เป็นพระละหันอย่างนี้เพรา ะ, ะนั้นที่ตัวใหญ่ขึ้นมาเพราะเหตุอะไรเพราะว่าทำอะไรทำใหญ่ใหญ่สาวต้นเนือสามคนโอบอย่างนี้เออแล้วจากนั้นมาสู้ช้างเนี่ยตายเป็นตายช้างมันก็ใหญ่ เออใจมันก็เลยใหญ่อ่ะมีอะไรไม้ใครจะถามอะไรบ้างค่ะใครมีอะไรถามไหมคะ เ, ออเพราะาว่าพเพื่อคุณออพระจันร์บนทนท่านได้เมตตากับเราวันนี้มากๆนะคะเพราะว่าถ้าได้ฟังธรรมะของท่านจะจิตตื่นตลอดนะคะถือว่าพวกเรามีบุญมากๆนะคะเ อ, อ่อท่านใดจะถามมาถามได้ที่ดีท่านก็ได้คะ่ะจะได้เป็นธรรมทานด้วยกันเพราะว่า ท่านจะตอบข้อข้อใจได้อย่างอย่างดีเพราะว่าเป็นท่านเป็นนักปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเราก็ควรจะเอาเป็นตัวอย่างด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะอ๋อท่านท่านต้องมาอยู่แล้วค่ะเพอดีท่านจะต้องจองตัวอยู่นะคะ <c oughs> เอะ๊ลูกผู้ชายสัตว์สลายก็คล้ายสัตว์ <c oughs> อแต่มาให้สัตว์จะสาวเวียดนามไว้บอกว่าจะรักเขาคนเดียวกับมาบวชนพระเป็นตาย <c oughs> และจะนักแฟนสองคนอีกที่ใ น, นเมืองไทยอีก <c oughs> เพราะฉะนั้น แวนนึงเมืองไทยสองคนถ้าหากว่าเราศึกไปแต่งงานคนใดคนหนึ่งหากแม่ตัดใจเลือกใครคนหนึ่งทิ้งคนหนึ่งอีกคนต้องเศร้าขอกรรมทำบาปกับเขา อ, อกหักเพราะมือเราขยี้แหลกลานใครต่อได้บ้างต่อยที่เวต่อให้ดีมันเพลงอะไรกันนะเออฉันฟังมา เ, เข้าททาเหมือนรองข้าาไว้มันคล้ายๆกูเหมือนกันเออเนี่ยพระราชีทรงโปรดมากเพลงนี้ทําไมจิงรู้ว่าพระราชีทรงโปรดมากเพราะว่าวันนั้นดูโทรทัศน์อุมาพรบัวพึ่ง พระราชนีให้ไปร้องในวังสวนจิรดามเมื่อวันที่12 ส, งสิงหาคมเออเข้าไปร้องเพลงนี้อืมอา้าวใครสงสัยจะถามอะไรบ้างเออทำแท้งบาปไหมอา้าวใครเคยทำแท้งมามั่งในในนี้ยกมือขึ้นอมียกมือกันโอ้ <c oughs> ดีเนาะสาธุโนพันเตเอเอเพราะฉะนั้นนี่แหละขึ้นชื่อว่าปานา แม้กระทั่งพระนี่ก็เหมือนกันอย่างอาตมาเนี่ย <c oughs> เมื่อก่อนที่จะบวชเนี่ยก็ร่วมรักต่อแฟนก็ประกอ บ, บว่าพ่าบวชเข้ามาแล้วแควนก็มาหาหลุงพี่เม้นได้มาสองเดือนแล้วหลุงพี่ไม่ศึกเหรอเอออาตมาไม่ศึกละแล้วจะทำอย่างไรละเดี๋ยวไม่มีพ่อเออไปกินยากางูสบายวันนี้ไม่มีเลติล ป, ปิ น, อ, ปน อ, กกอะไรเขาบอกเป็นนายเอกิเกอะไรต่างเขาบอกว่าวเพื่อนเขาเลยเขาเล่าให้ความก่อนที่พ่อตนองจะมา เขบอกไปกินยากางงกรงูกับพิกไทยเผ็ดว่าเขาทำแท้งเพราะว่าทำไมได้เ ป, ป็นทิ้ปินท้องนั่นอะไรต่างเลือดก็ออกมาอะไรต่างและผลสุดเขาก็เลยลูกเต่ามมีเลี้ยงดูแลอะไรต่างเขามาวัดเรามัอนอันยิ่งใหญ่นี่แหละตัดโลกเป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เออพระหรืออาตมาเนี่ยถ้าบอกให้แฟนที่ว่าเมนไม่มาสองเดือนเนี่ยไปกินยาขับแล้วไปทําแท้งซะเขาไปทําแท้งสําเร็จอาตมาอยู่ที่นี้ก็พระเหลืองอมต่อ ขาดจากความเป็นพระเหมือนกับเป็นข้าราชการเหมือนกันแต่งเครื่องแบบแต่ไม่มีเงินเดือนนี่นหลืงนอาจารย์อาตมาขาดจา ก, ากาจจความเป็นพระบุญก็ไม่ได้เลยตบบาทเพียงเดียวรอลงล็กอย่างเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นพระนี่ จ, จะขาดจากความเป็นพระถ้าบอกให้แควนไปหรือบอกโยมหรือให้ยาเขาไปกินให้ทาแทง้งเนี่ยพระเขาขาดจากความเป็นพระเหมือนกันเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ที่เราทําแท้งเนี่ยบาปไหมบาปคืออะไรเราต้องตีความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปคือความเศร้าหมอง เราใจผ่องใสเหรอที่เราทําแท้งเนี่ยเราใจผ่องใสเหรอก็เพราะใจเราเศร้าหมองนั่นเองเป็นกังวลเป็นกังวลว่าเออเขาเกิดมาไม่มีพอ่ออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรต่างต่างทีมันก็เป็นบาปแต่คราวนี้ทําอย่างไรบาปส่วนบาปบุญส่วนบุญนี่อดีตมันผ่านไปแล้วอดีตมันผ่านไปแล้วเหมือนกนระดีดปิ้วก็เดินไปแต่คราวนี้ถ้าเราว่าเรามมยคิดถึงอดีตที่มันผ่านมาแล้ว มันไปไปมามันดีเราดีไม่ดีก็ร้องไห้น้ำตาเช็ดทุกเข่าพรามันดีเราเจ็บอ่ะฉันไม่่ามันดีเราเจ็บถ้าดีเบาๆค่อยชั่วหน่อยมันดีเราเจ็บก็มันเจ็บที่ไหนล่ะมันก็เจ็บพิจัยเลยกอเพราะฉะนั้นอดีตมันก็เป็นอดีตอนาคตก็เป็นอนาคตอนาคตเราก็ไม่ทําใหม่เราตั้งใจรักษาศีลกอแล้วจากนั้นก็ทําบุญทํากุศลส่งสอนบุญกสศลใดๆไม่เข้ากับการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนา ยิ่งกว่าทานใดๆทั้งปวงทั้งหลายทั้งหมดนั่งสมาธิภาวนานี่แหละออพุทโธธรทมโมสังโฆ น, นี่แหละสูงสุดยิ่งกว่าอะไรทั้งปวงท่านกล่าวว่าสังฆทานเนี่ยยิ่งกว่าให้ทานพระเจ้าพระเจ้าร้อยพระองค์เนี่ยกุศลยังไม่เท่ากับสังฆทานเพราะฉะนั้นวัดนี้เนี่ยทำไมถึงจะเจริญรุ่งเรืองเพราะท่านตั้งชื่อว่าวัดสังฆทานนี่ ทำไมว่าวาทตถุมนตร์อระไรก็ว่าจริงไม่จะเรื่องเลืองลุงเลืองล่ะก็เพราะว่าพุทธมนตรอรันยิกาวาดพุทธะแปลว่าผู้รูร้อรัญยิกพุธทธมนตรแปลว่าวงเวียนป่าขอบเขตของผู้รู้ก็เลยมีแต่ผู้รู้ท่านเองก็เลยปรากฏว่าผู้รู้ก็เลยมีผู้รู้อยู่ผู้เดียวเออเขาไม่ยอมรู้กันแล้วด้วยเออเพราะอะไรมันอดอยากมันลาบากในการเข้าขการออกโทรตรงโทรศัพท์กระโทรไม่ได้อย่างนี้เออคราวนี้วัตสังฆทานนี่ท่านเป็นสังฆทานจริงๆ พิสอูจองค์สมเร็จจะมาจากไหนนั่นอะไรทั้งหลายเป็นทานมุงปู่คูบาอาจารย์ต่างท่านไหนมาทั้งกับอุปถากรับใช้ช่วยเหลือขลังหัดญาติยอมผู้คนไปมาก็านั่นดูที่มันนั่งกับขาวพุ่ไปหมดเนี่ยเพราะว่าท่านสังฆท า, านมันอาณิสงฆ์มันยิ่งกว่าถวายพระเจ้าค่าวนี้สังฆท า, านเนี่ยถ้ากล่าวว่าร้อยครั้งพันครั้งในการถวายสังฆท า, า น, นกุศลไม่เท่ากับนั่งสมาธิครั้งหนึ่งเอ๊เราจะเอาไงกันเดียร์จะเอานั่งสมาธิดีหรือจะถวายสังฆท า, านสักร้อยครั้งพันครั้งดี ก็ทําไปด้วยกันทั้งนั้นนลยนะเออทําบริกันเหมือนเรากินข้าวอ่ะทําอะไรอะ่ะกินข้าวกหกซื่อเออไม่กินแกงด้วยเหรอไม่กินผักด้วยเหรอเออไม่กินแจ่วด้วยเหรอไม่กินเส้นตาำปะขุ่มด้วยเหรอเนี่ยแต่บอกก็กินข้าวเพราะฉะนั้นนี่เหมือนกันเราก็ทําในหลายอย่างห้องน้ําห้องสวมเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยอาตมาเองของมือนกัดอาตมาก็ให้อ้าไปพิโรกบินไปพิโลกเขาถวายหมื่นหนึ่ง โอ้ยทางวัดเขาก็หลอ่อพระตั้งเก้าแสนเออไอเราก็มีปัจจัยอยู่พันกว่าบาทเออกะช่วยกันสักพันหนึ่งที่ไหนได้เขาถวายมาลูกศิษย์เขถวายส่วนตัวมาหมื่นหนึ่งก็เลยช่วยเออเข้าไปอีกพันหนึ่งแล้วก็ถวายพระชีลาไปพันนั้นมาองเทนปุ๊บ ก, ก็ถวายพระแก้วไปพันสีเจ้ามณีไปพันพระวัาาดไตมิตรไปพันเนี่ยเพราะฉะนั้นให้ฝ่ามือไม่มีบาทแผลพระเจ้าธนวายอย่างนั้น จับยาพิษยาพิษบนฟืนเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผู้ให้อ่าววันนั้นอ้าวพ่อสนองถวายหมื่นหนึ่งอ้าวยกบติการนี่ก็มาส่งให้แล้วก็รับมายกจนจบปุ๊บอ้าวสร้างโรงพยาบาลนี่ร่วงมาเขา้เงินหนุ่เขาแหละไม่ใช่เงินหนุเราซะหน่อยเพียงแต่เรามจบเป็นุโมธนาซะหน่อยคนฉลาดไงเรียกว่าคนฉลาดเราจะเป็นคนโง่ทําไมเรามาเป็นชาวพุทธแล้ว เร า, าเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธแล้วเราจะก็เป็นขงอทำไมเราจะเป็นองคนายทำไมเราต้องมีความฉลาดเรามีกุศลกุศลอดว่าความฉลาดเรามีความฉลาดเออวันนี้ไปนอนสลายคนไหมในสัตชิกังคะทุดงรู้สักในในศตยกทุดงทอ น, น้อยหน่อยมั้งนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยในสัตชิกังคะทุดงเนี่ยครั้งพุทธกาลเนี่ยพระจักคุบาลถือในสัตชิกังคะทุดงจนในตาบอด นี่พระจักคุบาลเนี่ยท่านไม่ยอมนั่งไอ้ไม่ยอมนอนเลยหมอกรมยพัดเอายามาให้หยอดตาเมื่อไหรก็ไม่หายเมื่อไหรก็ไม่หายหมอกรมย์ถามก็เลยถามว่าถามว่าพระคุณท่านหยอดยาเนี่ยนั่งหยอดหรือนอนหยอดนั่งหยอดอ้าวทำไมไม่นอนหยอดล่ะท่านก็ไม่บอกว่าท่านถือในสัจจิยธร้าไม่ยอมนอนเพราะฉะนั้นในสัตจริยธรรทุดงเนี่ยเป็นที่ดงที่เยี่ยมยอดที่สุดในทุดงสิบสามถือยากที่สุดมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้น เนสัตชิกังค้าทุดงคือการไม่นอนจะวันหนึ่งก็ตามหรือกี่วันก็ตามแต่ตมาีิทุกวันพระไม่มีการนอนมา่ก่อนนี้และจนกทั้งไม่นอนตลอดไตม้าสามเดือนตายเป็นตายนี่ก็ได้ผ่านมาเพราะฉะนั้นพระจักขุบาลนี่ถือเนสิติคังทุดงจนในตาบอดแต่แล้วเหตุปัจจยโยมมันต้องมีกรรมมีบุปกรรมทําไมเล่าพระจักขุบาลจในตาบอดเพราะว่าในอดีตชาติท่านเป็นหมอรักษาตา เป็นหมอรักษาตาเขาก็ผัวเมียคู่หนึ่งเขาก็ร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติลูกเต้าโ็ยมีแก่ไปตะวันตะวันเจ้ายาหยอดยาที่นั่นให้กตาเขานั่นไปเรื่อยตานั้นไปเรื่อยแกก็หยิบสมบัติเขามาวันจะชิ้นแก้แวแหวนเงินทองข้าของอะไรตาก็หยิบมาหยิบมาหยิบมาจนกระทั่งหนาๆเขาผัวเมียคู่นั้นก็ตาบอดเพราะฉะนั้น <c oughs> พระจักกุบาลชาติที่ท่านบวชท่านก็เลยถือในสัตว์ที่จะท้ายงนั่งในตาบอดนี่มันเป็นกรรมอย่างนี้ อเหมือนอย่างที่เล่าเรื่องศิลปทาและยุกมันอะไรต่างๆมาตั้งแต่ต้นต้แต่ต้นที่ผมมีกรรมมีอะไรต่างกันมาแล้วก็เหมือนกันเอพระพากุละอายุร้อยี่สิบปีในครั้งพุทธกาลพระพากุละได้ยินพระองค์นั้นปวดท้องพระองค์นั้นปวดหัวมันเป็นยังไงนะปวดหัวเอ๊ะองค์นั้นก็ปวดท้องเป็นยังไงนะปวดท้องท่านไม่เคยปว่วยไข้เลยพระเจ้า ท, ทรงอนุญาตให้พิสุฉันสมอเพื่อจะเป็นยาระบาย พระภากุระซีกหนึ่งก็ไม่เคยฉันทนหมอก็ททองผมก็ถ่ายดีอยู่แล้วหัวผมก็ปวดอยู่แล้วเออพระก็แปลกใจที่พระภากุระอายุตั้งร้อยี่สิบปีทำไมไม่ปวดหัวไม่ปวดทองก็ถามพระเจ้าพระเจ้าก็บอกดูก่อนพิสุทั้งหลายอดีตชาติเนี่ยและก็ปัจจุบันชาติเนี่ยภากุระเป็นผู้ชอบให้ทานยา เป็นช่้พอ่อแจ ก, กยาถวายยาไว้ในพุทธศาสนาสร้างห้องน้ําห้องส้วมถวายในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้น พ, พระภาคุละจึงไม่ป่วยไม่ไข้เพราะฉะนั้นอาตมาอ่านแล้วมันก็เลยเกิดความประทับใจทําตามทุกอย่างเนี่ยโรงพยาบาลสงมาเหมือนกันท่านบอกว่าเออหวังอุปถากเราถาคตพยาบาลพิสุกเป็นไข้เถิดเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลส่งนี่พระพิษุกไปนอนป่วยไข้ไม่ใช่น้อย เราไปพยาบาลดูแลไม่ได้เราก็เอาเงินไปเพรา ะ, ะน้าตมาก็มีใบโนมโอธนาจะโรงพยาบาลสองแสนหนึ่งเนี่ยเขไปช่วยเพรา ะ, ะนี่นห้องน้ําห้องซ้วมทํามาเยอะแล้วพรนศาที่แล้วไปอยู่ที่อเมริกาพระก็ทําห้องน้ําห้องซ่วมกันแค่สองซ่วงน่าทำสามเดือนไม่เสร็จอตมาไม่ช่วยอธมาเดินโยกมเวลาเขาสร้างห้องน้ำห้องซ่วงอตมาเดินโยกมเออพวกท่านอย่างมึงเองซีอ่อนพุ่งบวชนะ้อยสร้างกันไปเถอะก็บอกกับท่านท่านอย่ารังเกียจผมนะอย่าโล่งเกินผมนะที่เห็นผมไม่ช่วยทำซ่าห้องน้ำห้องซ่วง ที่เห็นผมเดินจงกรมเพราะผมสร้างมามากแล้วห้องน้ําห้องส้วมี่ผมสร้างมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นพวกท่านยังอินทรีย์บารมีอ่อนนิมนต์ทําปเลยเดี๋ยวเจ้าหาผมเปรียบผมไม่ได้เอาเปรียบแต่เพื่อต้องการให้พวกท่านได้สร้างบา ร, รมีกันท่านก็เลยเข้าใจเอว่าท่านสร้างห้องน้ำห้องส้วมกับเราดินเดินจงกรมนี่ก็ร่ายฟังอย่างนี้อ้าวมีอะไรสงสยัยใครจะถามอะไรไหมนีม่ไหมคะมาที่นี่ได้เลยนะคะมาตรงนี้ได้เลยนะคะไม่เปลาไรตะโกนถามก็ได้ค่ะ ถามตรงที่นั่งก็ได้ค่ะให้ดังนิดนึงนะคะค่ะท่านได้ไขข้อข้องใจได้เต็มที่นะคะนานๆอย่างนี้เราจะมีโอกาสนะคะแล้วก็ในช่วง เ, เดือนหน้าช่วงเข้าบรรษาท่านก็ต้องเดินทางไปจำรมษา ท, ที่ประเทศมาเลเซียแล้วนะคะค่ะเรียนถามได้นะคะเป็นธรรมทานได้ประโยชน์มากนะคะมีไห ม, มคะเชิญนะคะ หากแม้เลือเกิดเองได้คนทุกคนเรือเกิดยังได้ก็ตามใจเขาปราดถนาแต่ตัวฉันนั้นขอตั้งสัจะวาจาแมชา้ชาตินี้ชาติหน้าปราดพนาเกิดมากไกลคุณ จะเอาไงกัจะเอาไงค่ะเด็มีอะไรถามอีกไหมคะไม่มีนะคะถ้าอย่างนั้นจะได้ให้ท่านให้พรแล้วก็เดี๋ยวท่านขอนิดนึงว่าให้ได้ทําบุญค่าบูชาธรรมด้วยนะคะเพราะว่าเป็นธรรมะที่ได้ทุกทุกรสแล้วก็ได้ถึงความพ้นทุกข์ที่ท่านชี้แนะเรามานะคะเราไปประพฤติปฏิบัติตามปฏิบัติตามนะคะเราจะได้พ้นทุกข์นะคะ ตามที่ธรรมะคำสอนที่พระอาจารย์บุญบนทนได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานคืนนี้เดี๋ยวให้พี่แหวงช่วยกระจายเดี๋ยวมามีมีพานไหมฮ ะ, ะเดี๋ยวให้บูชาธรรมกันร่วมบุญด้วยกันนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้สู่มรรคผลนิพพานนะคะตามที่เราปรารถนากันทุกๆท่านนะคะค่ะ มีมีพานมาให้ช่วยช่วยกูนานนิดนึงพี่แหวงก็ได้นะคะค่ะเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เมตตา ก, กับพวกเราอย่างมากๆมาถึงสามครั้งแต่ดิฉันต้องขอกับนิมนต์เลยนะคะว่ามีโอกาสดิฉันต้องอกับนิมนต์มาใหม่นะคะหลวงพ่อเพราะว่า <c oughs> เป็นธรรมะที่ได้ทุกๆอย่างนะคะในการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็เราจะได้เป็นผู้มีแสงสว่างในธรรมด้วยนะคะธรรมก็มาเล่าเรื่องเก่าอีกละ ค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าบางท่านเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ฟังของหลวงพ่อนะคะยังไม่เคยมีใครได้ฟังเรื่องแหวนประดับก้อยเลยเนาะหลวงพ่อมีธรรมะที่ที่มีเรื่องค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะ อย่าลืมเออวากไว้อย่างเหนียวแน่นแน่นเหนียวเลยพยายามให้มีสติความในลึกได้สัพปัญญะความรู้ตัวสติสัมปัโนรู้ตัวทั่วพร้อมอุทางปาทัตลาเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสามตกาเบื้องต่ำตะปายผมลงไปตะจะปริยันตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่ถุดรอบเนี่ยพยายามให้มีความรู้ รู้ว่าขาเราเป็นยังไงหัวเราเป็นยังไงหลังเราเป็นยังไงให้มีความรู้มันมีความรู้อยู่นั่นแหละปฏิบัติแล้วจะไม่ได้อยู่ที่วัดก็ตามจะไปอยู่ที่ไหนแม้กระทั่งในห้องน้ำห้องส้วมก็ปฏิบัติเป็นอย่างนั้นพระเจ้าท่านตามเราไปทุกคนทุกแห่งเพราะฉะนั้นพระเจ้ายังอยู่นะพระเจ้าไม่ได้ไปไหนพระเจ้าอยู่กับเราผู้รู้อยู่กับเราพระเจ้าอยู่กับเราถ้าเรามีผู้รู้แล้วพระเจ้าอยู่กับเราถ้าเราไม่มีผู้รู้พระเจ้าก็ไปอยู่กับเรานี่ เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยพยายามไว้เอออย่าคิดว่าสังฆทานนี่เป็นสถานที่ปฏิบัติเออเวลาตีสี่ตีห้าเป็นเวลาปฏิบัติธรรมะของพระเจ้าสารรทำทำสอนสอนพระองค์ท่านแปดหมืสี่พันพระสมแข็งนี้อากาลิโกไม่เลือกกาลไม่เลือกเวลาโอปนิโกน้อมเข้ามาสันทิติโกรู้เองเห็นเองมันรู้เองเห็นเองในจวนดวงใจของเจ้าของนั่นแหละเออใครหารู้ได้ไหมเออ เขายังมีคำแสดงว่ารู้นะว่าคิดอะไรอยู่จริงหรือว่ารู้ว่าเคิดอะไรอยู่ออมันของใครของมันเนี่ยสันติติก ร, รู้เองเห็นเองเพราะฉะนั้นนะพยายามเป็นผู้ไม่ละสติประจา ก, การท่านกล่าวว่าจัตตาโลสติปถานาเอเโกมัคโววิสุทธิยานี่จัตตาโลจัตตาระอนวัตสีเอโกเอกะแปลว่าหนึ่งมัคคะมัคคาแปลว่าทาง จตุโลสติปฐานาเอกมรโควิสุตติยาสติปฐานสี่นี่ละกายให้มีความรู้เรื่องกายเราอยู่ในกิริยาบทใดการเวลาใดณสถานที่ใดมีความรู้กายครานี้เมื่อมีความรู้กายแล้วเราก็มีความรู้เวทนาเพราะมีกายมันก็มีเวทนาเพราะมีรูปมันก็มีเวทนาเราก็รู้จากเวทนาเวทนานี้ก็มีสุขขาวเวทนาทุกขาวเวทนา เรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยมันทุบแข้งทุกขาเรามันแสบมันคันมันปวดมันเมื่อยมันก็ทุกขาเวทนาเราสบายใจเราปลื้มใจได้มาพื้นปฏิบัติธรรมได้มาควางธรรมเราก็มีความปลื้มใจก็เรียกว่าสุขขาเวทนาเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยสุขขาเวทนาทุกขาเวทนากายเวทนาจิตในขณะนี้จิตเราคิดไปเรืร่องอะไรกุสร้งจิตตังอุปนังโหติจิตเรามันอุบัติบังเกิดขึ้นไหมในเรื่องบุญกุศล อากูสร้างจิตตังล่ะจิตเรามันเป็นบาปจิตมันไปอุศนมันก็บาดมันเกิดในจิตของเรากายเวทนาจิตธรทำรมก็เลยธรรมะธรรมชาติธรรมดาลูกปธรรมนามธรรมต่างๆทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเคยเคลื่อนตั้งอยู่ดับไปทั้งนั้นไม่มียืนยาวนานไปตลอดกานทั้งกอย่างนี่เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรยิ่งไ ป, ไปกว่าธรรมธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมดานี่เป็นอย่างนี้ ย้จากนั้นพระองค์ก็ทรงตัดว่าอัชเชวะกิจจะมาตะปังโกชัญญามรณงสุเวกิตที่ควรทำเนี่ยควรทําแต่วันนี้อัจเชวะกิต จ, จมาตปังอัจเชวะอันว่าวันนี้กิจจะมาตะปังกิตที่ควรทําควรทําแต่วันนี้โกชัญญามรณงสุเวใครจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นตมาที่พูดว่าวันนี้เป็นวันเทศครั้งสุดท้ายของวัฏฏะทาน ไม่มาเทพอีกแล้วเพราะใครจะรู้ว่าวันตายจะมีในวันพวงนี้ฮะถ้ากลับมาจากมาเลเซียอ้าวคุยังไม่ตายวันนักทางนี้หมดมาใหม่ก็มาเราจะ่นี่พู้ไประมาทไปทำไงแล้วแค่สาธุค่ะสาธุค่ะมันไปอย่างนั้นเออทาไมตายซะก่อนก็มากับพระเจ้าถว่างนั้นน่ะโกธัญญามรานางังคูเวใครจะรู้วความตายจะมีในวันพวงนี้เราก็เป็นผู้ประมาท อ่าบอกจะมาใหม่มาใหม่มาใหม่มหมแล้วเกิดมันตายซะก่อนก็เลยไม่ได้มาสิก็เป็นกานรบุษะ ส, สิเออเข้าใจไหมล่ะเราเป็นลูกสถาคนลูกพระเจ้าเราต้องฉลาดแหลมคมเพราะฉะนั้นทุกศาสตรทุกศาสตร์เนี่ยศาสตร์ที่เธอเออไม่ได้ฟังกันบ้างหลายคนเนาะเออขอให้เข้าใจธรรมศาสธรรมศาส์ยกพวกตีกันธรรมศาส์แก่งแย่งกันนั่นกันอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นทุกศาสตรทุกศาสตรในโลกเนี่ยเป็นศาสตร์ที่เธอเออ เป็นศาสตร์ตัดเออเป็นศาสตร์ต่อไม่ใช่ศาสตร์ตัดเนี่ยแต่ละศาสตร์ตรละศาสตร์ที่เรียนกันอ่ะอ็มันเป็นศาสตร์ต่อไม่ใช่ศาสตร์ตัดเนี่ยพระชาติหนว่าพระชาติของพระพงษ์หนว่าไม่เหมือนพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นี่เป็นศาสตร์ตัดตัดอะไรล่ะตัดผัวตัดลูกตัดเมียก็ตัดความโลภความโกรธความหลงพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ตัดแต่ถ้าหากว่าแต่ละศาสตร์ตรละศาสตร์นอกนั้นเป็นศาสตร์ต่อ พุทธศาสตร์นี่แห ล, ดลมด้วยคมด้วยแหลมยังไงมันสามารถแทงทะลุแต่ว่าตรัสศาสตร์ตรัสศาสตร์แทงทะลุได้ไหมแทงทะลุอะไรแทงทะลุอวิชาอาวิชาคือความไม่รู้ก็วความไม่รู้ทีเดียวถึงได้ทําแทงไงเราเพราะความไม่รู้ไป็นเร่ออย่างควยเขาว่าเออเพราะฉะนั้นมีอุโบสกาเจ้าหนึ่งไปรักษาอุโบสถสินที่วัดเออข้าสาวให้เขาภาวานานั่นอะไรต่างก็ถามเขา พาตอนบ่ายรุ่งขึ้นก็ได้ถามว่าเป็นไงบ้างเราภาวนาเป็นไงเขาก็เลา่าไอ้ควงว่าเขาก็ไม่ได้หลับไปเออเขาก็ระหว่างในนั่งสมาธิไปไห น, นเขาปรากฏว่ามันมีสระน้ําเลยเก็ปรากฏขึ้นเป็นสระน้ําเขาก็ไม่ได้นั่งหลับสับสงบก็โแเคอะไรเขาบอกเห็นเป็นสระน้ําใสมีเด็กแก้ผ้าสะอาดละอ้านวิ่งเข้ามาจากสระน้ํามาถึงก็มาซบตักแม่หนูหิวนมขอนมหนูหนูกินหน่อยแล้วก็เลยถามว่า เขว่าอย่งไรเขาลืมตาขึ้นมาไมเห็นมีเด็กมีอะไรเลยเราก็ทันทีเลยคุณเคยทําแท้งมาเปล่าข้าเคยทำมาว่างานที่คนคนเดียวว่งาง้นไม่พร้อม ท, ทําแทงบอกนั่นแหละอานิสงส์ที่คุณไปรักษาโบสดน่นมันเป็นอานิสงส์ใหญ่เพราะฉะนั้นเขาเลยไปขอส่วนบุญพระนักทิ่ส่งศ่นให้เขาซาเนี่ยก็เลยเล่าวกับวางแล้วก็สังเกตเลยว่าคนที่ทําแทงเนี่ยโดยมากจะทําอะไรไม่สาเร็จทำธุรการงา น, นอะไรต่างไม่สำเร็จเพราะมันวิ ญ, ญญาณอาฆาตไงวิญญาณมาฆ า, าอาฆาต เพราะฉะนั้นเราพยายามสวดมนต์นั่งสมาธินั่งสมาธินี่แหละลบล้างเหมือนองค์ครีมานาหิสกะฆ่าคนมาตั้งเก้าร้ยเก้าบเ้าคนพามาบวชก็้มาแล้วโอ้โหนั่งหลับตาเห็นตัผีเห็นตผันตผีมาหลอกมาร้อนเออจะมาทําร้ายไปเล่าพระเจ้าขวาง้พขวงพระเจ้าก็บอกอเห็นสักต้อเห็นเอออย่าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นอดีตมันดีดผ่านไปแล้วเอาปัจจุบันปัจจุบันเราไม่ได้ฆ่าใครก็ปัจจุบันนี้ฉันปกตินะ่ะศสืแปลว่าอะไรเสืแปลว่าปกติ ปกติอะไรปกติกายวาจาใจฉันไม่ได้ฆ่าใครฉันไม่ไทําแท้งใครเอาปัจจุบันเป็นปัจจุบันศีลอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเรานั่งสมาธิสวดมนต์พรานที่สงยิ่งใหญ่เราก็ทิศสวงอุศนให้เจ้า ก, กรรมในเวรสัปปสัตทั้งหลายมันก็จะได้เบาบางไปหายไปอย่างนี้อดีตมันก็ผ่านไปแล้วอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงเอาปัจจุบันนี่แหละถูกทางตรงทางหมดที่พูดในควางนี่ถ้าไม่เข้าใจอย่างแจม่มแจ้งแจม่มชัดจะไม่กล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคํา อ้ามีใครสงสัยอะไรยังไงบ้างมีไม้มอ้าวแม่ตมาเนี่ยตัวเน่าเละเพราะเหตุ อ, อะไรเหรอเวลาหมอจับพลิกทีก็หาเงินต้องเป็นล้านบาทก็อยู่โรงพยาบาลเปาโลห้องพิเศษเ็เดือนกว่าเป็นล้านบาทก็ช่วยไม่ได้เนื้อตัวเน่าเละหมอจับพริกตายไม่ทํางานเบาหวานความดันพร้อมแต่แล้วว่าอยู่ด้วยพุทธโทไม่เจ็บไม่ปวดไม่บอกอยู่ด้วลูกแต่เนื้อตัวเน่าเละหมดเพราะกรรมอะไรกรรมปลไหลต้มเปรต ใครเคยต้มปลาไหลต้มเปรตมื่อเนี่ น, นี้ยกมือขึ้นเดะไม่กล้า ย, ยกสักคนเออแม่ตามาแพ้ท้องคนถุกท้องนะี่อยากกินปลาไหลต้มเปรด น, น้องเคยตามาก็เลยไปได้ปลาไหลมาตัวแม่ตามาก็ต้มน้ําเดือดแล้วก็ปล่อยพลงลงไปตะขาตะขคายใส่นั่นเลยรสกินเป็นตะแซบตะแซบเนี่ยแพ้ท้องแล้วผลสุดกรรมก็ต้องมาใช้เขาเข้าใจไหมล่พะพอตัวเองป่วยนั่นขึ้นมาปุ๊บเนื้อตัวก็เน่าเละหมดหมอจับกันเนื้อหลุดเนื้อหลุดเหมือกตัวปลาไหลแล่อย่างนั้นนี่แหละ เอออาตมาก็เหมือนการลดความอาตมาลถความปีพศ2528เออมันก็มาเช็คบินกันเลยเหมือนกับเราเงินเดือนเดือนออกแหละพอสิ้นเดือนเงินเดือนออกก็มามาเช็กเลยค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์เข้าใไหมแล้วเนี่ยอาตมาลถความปุ๊บมันก็มาเช็คเลยเออจับเต่ากระแทกกลนคลอกจับปลาช่อนหักคอตบหูมา้ามามาเช็คเลยอย่างนี้อ้าวแล้วจากนั้นไปลบในเวียดนามแต่อาอาศร้ายอในเวียดนาม อ้าวเพราะนั้นปุ๊บกัางคืนก็ปูวัดปวดหัวไต้องกันเลยเวลาที่เต๋ออาจไหลหลุดสามสิบปีมันตามมาเพราะฉะนั้นพวกนักมงนักมวยเนี่ยมันต้องกลัวแล้วเขาทรายเขาขอเขาอะไรต่างกันสารพัดมันเถอะเพราะนั้นกรรมมันส่งให้พระเจ้าเขาไม่กันปวดหลังทมได้ไหวเพราะเคยทุ่มเทวทัตลุจูชกหลังดอกเพราะนัเรื่องกรรมนี่มันเรื่องยิ่งใหญ่ในโลกเพราะนั้นปากแว่งพิรันโหวมันมีอะไรมากปากแดงพุรันโหวนะทำไมถึงปากแว่งพิรันโหวเขาเกิดมาตั้งยอะไปไม่ปากแว่งพิรันโหว ทำไมได้เกิดมาปากแหวง่งเป็นดวงกรามอะไรเล่ากามตกปลาไงคุณงั้นกรมตกปลาเบ็ดประวัดเงืกเอกเฮ้ยพดานปลามัง่งปากแหว่งมัง่งนี่แหละแต่พวกเราตกปลาตกมามันมันยังไม่ส่งผลให้พวกเราไงละ่ะถ้าเราเวียนไหวตายตเกิดมาเดี๋ยวก็ชาติใดชาติหนึ่งเกิดมาก็ปากแหวง่งเพยานโหวเพราะว่าปากแหว่งพดานโหวนี่เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากตกปลาไม่ใช่กามอย่างอื่นทําไมอยากรู้ทําไมถึงรู้กับพระเจ้าทาั้งเก่าวไปวแล้วอ่ะ สมาธิพิคเวภาเวทะสเมยิโตยทาภูตังประชานาติดูก่อนพิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงทําสมาธิให้เกิดบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิย่อมรู้ตามฟานเป็นจริงรู้ตามฟานเป็นจริงอะไรเล่ารู้ว่าเป็นกรรมของเราที่เราทํามานี่เพราะฉะนั้นนี่แหละมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยอย่าคิดว่าไม่เป็นอะไรหรอกไม่เป็นอะไรหรอกไม่ได้พอมาเช็คบินกันเถอะเอาน้ําตามหยดชนาจะบอกให้ Um, ว่ามาฮะอะไรนะอ๋อปวดหลังปวดเอวอ๋อมันก็ธรรมดาธรรมากระปวดเนี่ยแต่ธรรมาไม่จะร้อง ม, มาทาไมว่าปวด เออมันก็เพนธรรมดามันมีแข้งมีขามีนั่นอะไรเหมือนกันแต่ตมารู้อยู่อย่างหนึ่งว่าที่อาตมาปวดหลังเนี่ยเพราะกรรมขี่ม้าหลังเปล่าเพราะอาตมาเป็นทหารมา้าดี่บางครั้งก็ขี่ม้าหลังเปล่าบ้างขี่ผูกอานบัง่งไม่ผูกอานบ้างเวลาขี่แล้วเล่นก็ขี่หลังเปล่าเพราะนั้นกระดูกคนกบเราก็ไปกดกระดูกสั่หลังมันอ๋อทำไมถึงปวดหลังทําไมถึงปวดหลังอ๋อเพราะขี่ม้าหลังเปล่าเพราะเรื่องกรรมนี่แหละมีสมาธิเราจะรู้เลยว่ากรรมอะไรกรรมอะไรเข้าใจง่าย อถ้าเราทําสมาธิเกิดแล้วมันจะเข้าใจเลยเรื่องกรรมไรําอะไรกรรมไรๆๆๆเอมันจะเข้าใจง่าย <c oughs> เราก็เลยพยายามสร้างกุศลกรรมกันดีกว่าเนี่ยใครสามารถบริจากรหิทได้เนี่ยผู้หญิงผู้ชายทักหลายแหล่เนี่ยอายุหกสิบเขาไม่เอาเออเราก็ไปบริจากรหิตธ์ซะเราจะได้สร้างทานนบรมีอุปจารทานทานเช้นกลางอย่างนี้เพราะอาริสง์ยิ่งใหญ่เนี่ยตามาไม่ป่วยไม่ไข้ต่างตามาเวลาเจะเลือดบริจากรหิทธ์ว อุที่ให้เจ้ากรรมในเวรเลยแล้วข้าบิดามารดาเจ้ากรรมในเวรต้องให้ก่อนถ้าจะมาเวลาที่อุเสงขอสนี่ปุ๊บให้เจ้ากรรมในเวรก่อนทันทีเจ้ากรรมในเวรเป็นเสือหิวเจ้ากรรมในเวรไปตามเราเหมือนเงาเราจะไปที่ไหนมันตามเราไปเจ้ากรรมในเวรถ้านั่งรถไปเนี่ยเราแต่ละคนแต่ะคนเนี่ยบางทีไปรวถเขียวรถชนอะไรต่างๆก็ได้เพราะนั้นที่ว่าโกธัญญามลังสูเวใครจะรู้ความตายอยู่ในแบบตรงนี้เพราะนั่นที่บอกว่าวัดตั้ทานนี่เป็นประเทศอีกแล้ว嘛พูดไปซะก่อนไงแต่ถ้าว่าไปประเทศมาเลเซียกลับมาไม่ตายเขาที่มนมาก็ไม่แน เออเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพูดกันไว้ก่อนเพื่อจะเราจะไม่มีข้อผูกมัดกันเป็นอย่างนั้นอ้ามีอะไรอีกไหมหลวงพ่อคะเดี๋ยวกลับเรียนถามนะคะที่อุทิตให้เจ้ากรรมในเวรแล้วก็ถ้าเกิดว่าอุทิศให้เจ้ากรรมในเ ว, ว, เวทเ ร, รเวทุกพบทุกภูมินี้ได้ไหมคะอ้าวก็ได้มันก็เราให้อะ่ะเขาจะรับหรือไม่รับก็ช่างเขาเราให้แล้วกันเราเป็นผู้ให้ค่ะเออเราเป็นผู้ให้เพราะจะได้หมดเร็วๆนะคะเออค่ะท่านท่านใดที่มีปัญหาที่จะถามอีกไหมคะ จะได้หายข้อข้องใจนะคะเวลาเราปฏิบัติเราจะได้อ้าว ม, มันเป็นหลักสูตรการกระทำมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพระเจ้าทำไม่ได้แช่งเราท่านบอกว่าไปตกนรกไปแรงต่างๆเนี่ยพระเจ้าทำไม่ได้แช่งเราไอ้ผมต้องการกระทามันส่งไปเองพระเจ้าท่วจะไปแช่งใค ร, ม, ใใครใหมหาการิโกนาโถยตายะทนายที่พึ่งพวกเราทคาวความดีก็ต้เรความดีโยมเขาก็พูดกับพ่อชานี่ไปอยู่พ่อชามาเออแมหลุงพ่อบุญดีฉันก็ทํำจ้า ทำไม้ป่วยเป็นโน่นป่วยเป็นนี่ป่วยเป็นโน่นเป็นเป็นโน่นบุญชันก็ทําจังพ่อเช้าเออพ่อออกแม่ออกพ่อออกแม่ออกเนี่ยจะเฮ็ดบุญแล้วให้เป็ดมันกลายเป็นไก่เหรอจะเฮ็ดบุญแล้วให้ไก่มันกลายเป็นเป็ดเหรอเออทําบุญบุญก็เป็นบุญบาปก็เป็นบาปเออเป็ดมันก็เป็นเป็ดไก่ก็เป็นไก่ไม่จะทําบุญแล้วไก่มันกลายเป็นเป็ดทําบุญแล้วเป็ดมันกลายเป็นไก่ทำไมหัวเราก่กามันขำมาะโอ้ยหาจริงของท่านว่ะ เอ AI: บุญ <Omar>. า <brasile, S 1> ็ต้เป็นบุบาปก็ต้องเป็นบาปเออพอออกไม่ออกจะทําบุญให้มันกลายเป็นเป็ดหรอหรือทำบุญแล้วให้เป็ดมันกลายเป็นไก่เหรอเนี่ยมีองค์ไหนบางทีพูดอย่นี่คือหลวงพ่อชาและอาตมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอาตมาโทสะมันแรงถึงว่าต้องเอาไปทิ้งไว้ที่อเมริกาไงเราไม่แน่หมอนกันถ้ามีตังจะขึ้นบินไปกลับออกมาอีกเออมันดีเหมือนกันโทสานี่เอเวลานั่นแหมสวมหน้ายักขึ้นมารู้สึกว่ามันโก้ดีมันกันนะอตะหวาดทําหน้าขึงขังแยกเยหุมพอมหุ้มพอมรู้สึกเอ๊ะมันโก้ดีเหม เออพอไม่มีโทสาที่หน้ามันหวานนะ่ะอืมมันต้องมีเผ็ดด้วยมันคือย่าร่อยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยวันหนึ่งอาตมาก็รับใช้หลวงพ่อชารับใช้หลวงพ่อชาทานข้าวเสร็จก็รับใช้ท่านองค์อืกก่นอาบาปไปล้างกันเราก็คอยเช็ดทาความสะอาดนั่นแะรต่างเนี่ยอาตมาเนี่ยแปลงควันหลวงพ่อชาแปลงควันหลวงปู่แหวนแปลงควันหลวงปู่สิมแปลงควันให้หลวงปู่แหวนปู่ขาวแปลงมาให้เราทั้งนั้นนะ เอเล่าคนก็ควังเขเออหลวงพ่อทำไมลูกตัวแหวนนั้นอ้าปากแล้วแปลงให้ท่านอย่างนี้เหรอพราชาญอ้าปากก็แปลงให้ฟันอย่างนี้เหรอจช่เหสงสัยใช่ไหมค่ะนุปู่สิมนี่เหมือนกันเพาะนัท่านอ้าปากแล้วก็แปลงฟันอย่างนี้เหรอคือฟันปลอมไงเวลาท่านฉันข้าวเสร็จท่านก็ถอดฟันปลอมโคกออกมาเะรอพอท่นฉันข้าวเสร็จปุ๊บท่านก็ถอดฟันปลอมออกมาแตมาก็มาแปลงแปลงเอาน้ําร้อนผสมน้ําอุ่นแล้วแปลงแปลงแปลงแล้วเช็ดตะปางอาดให้แล้วก็มีถุงใส่และจากนั้นเอาแปลงชุดสําหรับธรรมดาไม่ฉันข้าวมาใส่ให้ท่่านนเีย น่าจะมาแปลงความ้หลงปู่แหวนหลวงปู่ขาวลุงปู่สิมลวงพ่อชาหลวงปู่เทพไม่ได้แปลงขอราะงปู่เทพทำมีฟันจริงอย่างนี้หลวงปู่ขาวเนี่ยแปลงให้สำเร็จทางนั้นงั้นคนไม่เข้าใจว่าเอ็นึกว่าท่านอ้าปากแล้วไปถูท่านหล้วหลายเจ้าเข้าใจอย่างนั้นเลยเนาะเนี่ยเพราะฉะนั้นอาตมาก็รับใช้หลวงพ่อชาเออหลวงพ่อชาแล้วก็ถามว่าหมู่หลายบ่ล่ะท่านถามเมืสาอีสานหมู่หลายบ่ล่ะบอกไม่มีหรอกครับเพราะหาวผมดุก เขบอกห่วยนี่พระชาจะเอกลักษณ์ของพระชาคือห่วยเออห่วยมันเปรี้ยวมากมันก็หวานมากเลยเว้ยบังบลาหมันม้ออกร่องเ่เปรี้ยวมันก็ลูกเดียวกันหวานมันก็ลูกเดียวกันมันไมชคนไม่ใช่คนรูกล้อเพราะมันหวานคือมาเม็ดเมอยากโยนทิ้งไปซ้ำเหรอโอ้โหตาสว่างเออจริงเว้ยไอ้หาหม้อมอกร่องนี่เหรอมันหวานนี่ไม่มีดูดเม็ดมันจนซีดขาวเลยเม็ดเม็ไปอยากโยทิเอาไปเพาะต่ออีกเออนี่สือหลวงพระชา เพราะจานั้นก็เลยไปๆมาก็เลยถึงไอ้ความโทสะเนี่ยแล้วทิ้งประเทศอเมริกาไงล่ะ<ม>เออใครก็เลยว่าพ่อเมตตาหลวงพ่อใจดี<ม> <c oughs> เออ <c oughs> กอดยิ้มไม่ได้นะเพราะว่าเราใจดีอะนะเออเขาบอกพ่อนี่โหดุเก่งโทสะร้ายหน้าตาขึงขังหน้าตาดุดันหน้าตาโมโหโทโซต่างๆใจแล้วก็ห่อเหี่ยวใจแล้วก็ไม่เบิกบานใจแล้วก็ไม่สบายนี่แหละเครียกวอิทธารมไงล่ะอิทธารมอารมณ์ที่ชอบใจพระเขาชมเราสนเสริญเราเราก็ชอบใจ ก็เลยทำให้เราอยากจะมาอีกว่าจะไม่มาแล้วใช่ไนะอมั <S 2> <S 2> นก็อดไม่ได้มเป็นอย่างนั้นปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งสุดจะยังถึงได้นะเป็นอย่างนั้นใครพระชาเหร อ, อ อออืืืมมอืมอืมเมือ่อก่อนนี้อาตมาไม่เข้าใจหมวดใหม่ใหม่พม่าเรียนมาศึกษาเขานึกว่าพระอรหันต์นี่ต้องสวย ผ้าหันจะต้องไม่โกรธไม่ดูใครไม่ว่าใครไม่ตะคอกใครผิวพันธุ์จะต้องสวยพราละหัน์นี่ต้องไม่ป่วยไม่ไข้โอ้โหมันคิดเพ้อไปหมดเคยเป็นลุงปอเจอลุงปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆอะไรต่างเท่ากันนะเท่าเอ้ยเท่ากับคนธรรมดาเรานี่แหละแต่ว่าไฟท่านมันดับไปซะแล้วก็อยู่ตะกายของท่าคลองขันอยู่แต่ว่าไฟโรคไฟโกรธไฟหลงไฟสามกองนี้ท่านดับไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อตายก็ตายไม่มีที่อยู่ที่ไปที่มาหลือภูเขาท่านไหวอย่างนั้นก็เลยมีความเข้าใจ เออเพราะฉะนั้นหลวงพ่อชาเนี่หลวงปู่สิมท่านว่าท่านเป็นรายการที่สามมาเกิดเพราะฉะนั้นกรรมที่จับเจ้าเมืองเวียงจันเจ้าลูกองเมืองเวียงจันรมาขังที่ท้องสนามหลวงตายใส่กองขังตายกรรมก็เลยมานอนป่วยให้คนไปกราบไปไหว้ไงเนี่ยปู่สิมท่นานไหวอย่างงั้นกรรมก็เลยมาป่วยนอนให้คนมากราบมาไหว้ตั้งแปดปีกว่าเนี่ยปู่สิมท่านไหว้ยอย่างนั้นเ อ, อ มอืมอ yeah, um, ืมเนี่ยเพราะถ้าตมาดินว่าแหมหลวงพ่อเมตตาหรือว่าเมตตาอาตมาก็ได้มันจะวัดพระฟัน ข้างแทงน้ำวัดปา่าอุดมสมพรเขียนไว้จับใจต่อมาเมตตาเถอะแต่อย่าใจอ่อ น, <Okay. S 2> <c oughs> นดีดายจากวัดปู่พันเมตตาแต่อย่าใจอ่อนออแล้วจากนั้นไปอยู่วัดหนองพระพง์กันลวงพ่าชา ท่านก็นเขียนไว้ข้างบันไดว่าทุกมีทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยเพราะทั้นปล่อยปล่อยไปซะบ้างนะอะไรต่างๆทั้งหลายแหละนะที่ยึดมั่นถือมั่นต่างๆ ป, ปล่อยปล่อยซะบ้าง เออรู้ตามฟามเป็นจริงมันซะเราจะได้ไม่ทุกทํายังไงถึงเราจะไม่ทุกทําไงถึงเราจะไม่คลุ่มใจเนี่ยมันมีปัญหาเหลือเกินสารพัดเรื่องแหละให้รู้เท่าทันมันไว้แต่ละเรื่องตาสิ่งแต่ละอย่างที่มากระทบเราแง่แตมากันนะเวลาใครจะโทรมาป๊บปิดปั๊ บ, บทันทีตั้งสติเลยเขาจะโทรมาเรื่องอะไรนี่ใครไปใครมาปุบ๊บนี่ต้องนั่นเลยตั้งสติไวเลยเขาจะมาบอกเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรเพื่อให้ความยินดีและร้ายเขาครอบงำํำอ่ อ่าอืม อ้ามีอะไรใครจะถามอะไรยังไงไหมอ้าถามมาตัวแย่ถามดังๆเลยนะคะถามดังๆหลวงพ่อครอยากให้หลวงพ่ออธิบายที่หลวงปู่แหวนท่านได้พูดว่าเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่ว่าเรื่องแต่งงานเพราะว่าโยมบางคนขึ้นมาทีหลังนะคะใอธิบายค่ะรีมากรีมากรีมากรีมากค่ะเอออาตมานี่ ปกติตีสามตื่นห้าทุ่มจำวัดหรือเที่ยงคืนตีสามตื่นแปะ๊ะคราวนี้เมื่อไปอยู่ในลุ้งปูแหวน เ, เมื่ออยู่ไปลุ้งปูแหวนเราก็อยู่กติที่ไม่ไกลท่านนักพอตีสามเราก็ตื่นนั่งสมาธิของเราซะก่อนชั่วโมงหนึ่งพอตีสี่ก็มาที่กุฏิลุ้งปูแหวนมาก็มานั่งที่กุฏิปูแหวนรอให้ท่านออกมาจากกุฏิตอนตีห้า ในขณะที่นั่งอยู่พอทีห้าหลวงปู่แหวนท่านก็เปิดประตูกติออกมาเราก็จะเข้าไปรับใจท่านเรียบร้อยไม่ต้องไปทําอะไรท่านเรียบร้อยหมดถุงเท้าการอะไรต่างสำหรับที่สวมนั่นอะไรที่หับที่นอนเรียบร้อยหมดพระอริยะเจ้าสะอาดต้านท่านสูบบุรี่ก็จริงแต่ก้นบุงบุรี่ต่างสอาดต้านไม่มีที่ท่องที่เต่าเพราะฉะนั้นคําว่าอริยะเนี่ยแปลว่าอะไรอริยะแปลว่าจเจริญ เออเจริญทางไหนเจริญทางกายทางวาจาทางใจเนี honestly, are, strong, ่ถ so, right. ือว่าพระเลียเจ้าเพราะฉะนั <t> ้นหลวงปู่แหวนท่านเป็นพระเลีเจ้าท่านเป็นผู้ที่เรียบร้อยท่จะสูบยาจริงแต่ก้นยงก้นยาอ่างต่างท่านเรียบร้อยสะอาดสะอ้านหลวงปู่ขาวถ้ำของเพลกรรมกานทัานเชี้ยวหมากแต่น้ํามงน้ำหมากท่านกระถงกระถงก็สะอาดสะอ้านนี่เราอยู่กับพระเลยเจ้าพระยาสงฆมาตรองค์ตราท่านหลวงปู่เทศหลวงปู่แรงต่างหลวงปู่ฟัานแรงต่างที่ได้อยู่มาก็ได้เห็นแล้วพระเาเจ้าเป็นยังไงมันต่างกับพระปุถุชนอย่างไรนี่ เพราะฉ้เห็นพระผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่นอะไรต่างโอ้มันอะไเรื่องเนี่ยแล้วปู่แหวนนี่เหมือนในหลวงปู่ในต่างเทศกามอย่างเงี้ยเนี่ยจีวรท่านหลวงปู่สงฆ์วัชกาสารลอยนี่เห็นองค์เดียวเก้าสิบฝ่าแล้วไปกราบตั้งใจพระภาคใต้จะไปกราบองค์เดียวท่านจะไปกราบปู่สงฆ์วัชกาสารลอยตั้งใจแล้วก็อธิษฐานว่าหลวงปู่ครับพวกนี้ผมจะไปฉันกับหลวงปู่ด้วยอธิษฐานไปจังหวัดเพชรบูรณ์พอต่อดง้อยี่ยี่สิบสามเเดินทางไปตอนกลางคืนปกยม พอไปก็ตังหวัดชุมพรโอ้ยหลงไปหลงมาก่อนไปถึงที่วัดเจ้าฟ้าสารลอยได้พอไปถึงหลวงปู่กำลังนอนอยู่ อ, อ็เขาก็บอกว่ามีพระมาตาท่านมองไม่เห็นท่านก็ให้ประคองเราบอกหลวงปู่ ป, ปูไม่ต้องลุกนะครับท่านก็นมายอมให้ลุกโอ้โหมือท่านกำแนั่นเลยลงไปยจีวรเนี่ยท่าน้าหนังวงรัดเห็นองค์เดียวท่านบวชมา 39, สาเก้าพรรษาอายุหกบ้าเนี่ย เพิ่งเห็นงเดียวนะปู่สงก็จะฟ้าสลายแต่ที่กรรมจีวรนี่ลุงปู่แหวนลุงปู่พระาเจ้าท่านเราส่งที่ต้องกรรมอย่างนี้หมดไม่มีไอ้ห้อยอกแทกตอกแทอย่างเงี้ยเพราะเห็นภาพหลักผู้ใหญ่พรานั้นพุงเพลงพเนมมืออู้บอกเป็นตะเบิงเออพอนเอาเห็นพระยาเจ้ามังปู่แหวนนี่จะเรียบร้อยจะคอยขยับผ้าขยับผ่อนเรียบร้อยลุงปู่ขาวลูงปู่ต่างนี่จะกรรมลูกบวชเรียบร้อยนอกนั้นนี่พนมมือสวัสดีครับห้อยตอกแทกตกแทกเออไปอย่างนี้มันต่างกัน เราเห็นพระยาเจ้าพระยาส่งมาแล้วมันเป็นยังไงเออเพราะฉะนั้นในกรณีไปเห็นหลวงปู่ส่งว่าจะคว้าสะ ล, ะลอยเนี่ยเห็นองค์เดียวในประเทศไทยถ้าเาหนังวงรัดแล้วมือกรำเนี่ยแต่หนังวงรัดอา้าวก็เลยคุยก็ไป่รู้เรื่องพราะหูตึงตาท่านก็มเห็นเราก็เอาแบรนถวายท่านเอาแบรนไปถวายท่านอา้าวแล้วจากนั้นเอ็นให้นอนลงไปพอนอนลงไปเอ๊ะท่านท้องอะไรท่านวะ ม Applause, มมมมมมมมมมมมุมมัมมุแล้วก็ยังหูกว้างอโธโยเปนนัพิการพิการนังติ๊กตัดจิวิสมาเป็นโอ้โหปู่สงนอนท่องบทปริโมกโอ้โหท่านก้าวสป่าหูก็ไม่ได้ยินตาก็ไม่เห็นแล้วนอนท่องบทปริโมกไอเราได้ปริโมกเราเก็รู้ที่ท่านท่องไวอย่างไงบทไหนโอ้โหปู่สงก้าวควาตลอดเดินทางไปทั้งคืนพอไปเห็นท่านนิดความเหนื่อยเมื่อยล้าปวดเมื่อยหายไปหมดเพราะได้เห็นสมณะไง เนี่ยสมนานั้นจากทัสนังเอตามมังคลังการได้เห็นสมณะพู้สงบระงับเนี่ยเอตามมังคำพตดสมังไม่ต้องไปท่านเป่าหัวไม่ต้องไปท่านผมน้ำมนหรอกมันเป็นมงคลแก่เราเราได้เห็นหลวงปู่ต่างๆมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นพอตอนเช้าตีห้าหลวงปู่ก็เปิดประตูออกมาเราก็จะเข้าไปรับบาตรท่านเรามาตั้งศิ่ลาท่านก็บอกว่าอืหลวงปู่แหวนจะขึ้นวอือลงวนาเอกรลักของหลงปู่แหวนจะขึ้นวูอือแล้วลงวัานา อืวันนี้ไม่ต้องไปบินทบาทนาะอาจารย์หนูจะพาไปฉันในบ้านเขาแต่งงานกับเขาเสพกรามกันนาะเขาแต่งงานกับเขาเสพกรามกันเขาเป็นผัวเป็นเมียกันไม่ใช่ของแปลกของอัศจรรย์นานะช้างมาวัวควายหมูเป็ดไก่มดดำมดแดงมันก็เป็นผัวเป็นเมียกันนั่นนาะผู้ใดไม่อยู่ในศีลสมาธิปัญญามันจะอัศจรรย์นา น, ะนี่ไม่เล่า งหลวงปู่แหวนท่านอยู่ในศีลสมาธิปัญญาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถพระบรมรสาธิราชฟ้าเทพรัตสุดาจุฬาภรณองค์อะไรต่างเสด็จไปหาเองหมดสมโทุรีอะไรต่างไปหมดสมเด็จพระสังฆราชก็ไปหาปู่แหวนเองท่านบอกไม่ลงจากดอยแม่ปังอีกแล้วนะท่านก็ไม่ลงป่วยไข้ไงก็ไม่ลงท่านยอมตายท่านบอกจริงกายจริงวาจาจริงใจนาท่านว่าอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงปู่แหวนอำนาจของศีลของท่าน สีละกันโทกลิ่นของศีลมันหอมไอเราใส่น้ำผงน้ำหอม ก, อกับดอกมลูดอ ก, ดอกมาเลยหอมมันหอมทวนลมไม่ไกลมันหอมตามลมก็ไม่ไกลแต่ว่ากลิ่นของสีนี่โอ้โหมันหอมไปถึงเขาไอชั้นพรมนุ่นเทพีราพวกพรมต่างจะลงมากราบมาไหว้เวลาไม่มีใครเขาจะลงมาเราไม่เห็นหรอกลม ป, งปูงต่างท่านเห็นนี่เพราะฉนั้นสีลังโลแกนรูดรอสเนเป็นเยี่ยมในโลกสีนี่เป็นเยี่ยมในโลก ไม่มีอะไรเกินไปกว่าศีลเพราะฉะนั้นศีเลนสุขติงยันติมีความสุขเพราะศีลศีเลนะโพกสัมปทาน ม, มีโภคะสมบัติก็เพราะศีลศีเลนะในผู้ติิงยันติจะดับความทุกข์ความยากในวะัฏะสงศารจะได้ก็เพราะศีลตัตสมาสิลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจงสมาทานศีลเถิดนี่ทันวายอย่างงี้เออเรอจะว่าไงอีกล่ะมีอะไรถามอีก ออมีไหมคะมีไหมคะถามได้นะคะอีกอีกข้อหนึ่งนะคะหลวงพ่อเอาเลย<า>ข้าะฉะนเผื่อนักบวชบางคนยังไม่เข้าใจว่าภา<ม><ม>พป่าที่ว่าสุบุรีนะคะบางคนไม่เข้าใจคะ่ะเออคราวนี้อาตมาเนี่ยเมื่อเป็นฆราวาสสุบรีอยู่แล้วเป็นคนที่สุบุรีอยู่แล้วเป็นฆราวาสเป็นทหารเป็นอะไรต่างก็สุบุรีอยู่แล้วพามาบวชปฏิบัติเข้าเฮ้ยบุบรี่ก็เป็นกิเลสต้องละเออก็เลิกสูบ เรื่องสุบุรีและกินเจเอาล่ะเดี๋ยวรู้เรื่องเลยเรื่องกินเจนี่เออเพราะฉะนั้นผิดทางทั้งนั้นเรื่องกินเจกล้าพูดอย่างโง่าตไม่ท้องท้ามันไหวมาจับแผลกอกแปกบากได้เลยว่าจะมัทนผู้ผิดเออพระพระราหันนั่ขอบินทบาทมาแล้วอ่ะแล้วใครจะยิ่งไปกว่าท่านไปมั่งล่ะนั้นกินเจกินเจอาญนตะกินเจนิกอณีกินเจจำลองพระมาพุทธกินเจไม่ได้ขอไม่ได้ว่ารู้เรื่องเก่ยพราะถูกกินเจตัวใหญ่รรุ่นใหญ่ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นก <c oughs> um, <c oughs> ็ไปศึกษามาจากทางภาคใต้ทางสวนโมกอะไรต่างๆตอนสมัยที่พ อ, อสพอง้อ้าก็โหเลื่อนสายเข้าไปหาเรานี่เป็นยักษ์เป็นมารเนาะพราอสุดมันก็เลยรู้เลยว่าจิตเราเนี่ยตอนระหว่างกินเจเนี่ยเห็นชายกากินปลูกิกนปลาอะไรต่างาโอ้โยังเป็นพระเป็นมารเ <c oughs> ห็นพระผู้หลักผู้ใหญ่เนี่โอโ้ยังเป็นยักษ์เป็นมารยังเป็นพระไม่ได้เลยยังกินหมูกินเป็ดกินไก่ไอ้เรากินตะไบไม้เพราะนั่นเดินทุดงไปท้องเภูมครั้งแรกเลยเนี่ยพอต่อตงพันหนร้อยสกเนี่ย ต้องให้เนเนี่ยเก็บใบมะส้มโอมั่งใบมะขามมั่งกินกข้าวบิณฑบาตได้ปลากระป๋องของแห้งไข่เคยแล้วก็ให้เขาโมดไม่เอาแต่ตัวเองนี่จิตมันเครียดอยู่ตลอดเวลาเห็นคนนั้นกินปลากินอะไรต่างาโอ้ยังเป็นยักษ์เป็นมารปูเป็นพระแท้ไหนจิตเศร้าหมองตายแน่นั้นไปตกลกเนี่ยตมาในขณะที่กินเจถ้าตมาตายไปตมาไปตกลงโลกกินเศร้าหมองอะ่ะเนี่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นก็เลยไปอยู่กับหลวงปู่ฟัน่นถามว่าพ่อครับผมฉันเจนี่จะผิดหรือเปล่า ท่านบอกว่าก็ไม่พีดแล้วแต่ศรัทธาท่านวายอย่างนั้นพ่อพ่อท่านจะฟันท่านก็เคยฉันตัดหน่อไม้บนอยู่ท่อมขามท่านต้องการจะดูทีว่ากายเป็นไงจิตเป็นไงนึกมากินตัดหน่อไม้ไม่ฉันข่าวเลยฉันตัดหน่ไม้ต้มหนึ่เดียวท่านบอกว่าแปลกพิงภาษานั้นกัหน่อไม้ออกตลอดทั้งภาษาเนี่ยท่านมีอยู่ท่อมขามให้เน้นเก็บได้หน่อไม้มาต้มฉันกับเกลือกับนําพิกเพราะเราก็เลยน้ําผึ้งก็ไม่ฉันเพราะน้ำผึ้งนี่ต้องปฏิรังไปเผารังเขาและขนมทองหยิบปลอยทองก็ไม่ฉันเพราะไม่ต้องผสมไข่ ใช่ไหม เ, เนี่ยเพราะฉะนั้นตมาไม่ฉันเลยน้ำพึ่งก็ไม่ฉันเอออยากจะเป็นพระเจ้าองค์ใหม่เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเมื่อไปจำบรรษาที่หินหมักแป้งพอศส อ, อง6ันห้าร้อยสิบหกหลวงปู่เทศทั้งอะไรบอกว่าเออผมขอบินธบาทนะการจะไปมักผลนิพพานเนี่ยไม่ใช่ไปเพราะไม่ฉันเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นช้างมาวัวควายมันก็ไปนิพพานกันหมดแล้วกินไปมก้กินเน้ายา ก็ไปด้วยปัญญาเราเลี้ยงชีพเนื่องผู้อื่นแล้วแต่ก็จะทำมาให้เว้นแต่มังสะสิบหรือทิศมังสะอาตมาไปบ้านพี่พ่ออยู่คนเดียวอาตมาก็อยู่บ้านมันเป็นสองชั้นอาตมาก็อยู่ข้างบนข้างบนมีที่ลานหน้า น, น, นอาตมาก็เดินอยู่ข้างบนก็เห็นพ่อตอนเช้าเพราะพ่ออยู่คนเดียวอ่ะแกก็จะมีเมียใหม่ก็มีไม่ได้เออ ก, ก็เลยปรากฏว่าก็เห็นแกลูกไม่ปปได้โงค่จับปลา ตัวเขาแขนมาทบหัวป๊อกจากนั้นแกแกงส้มกระเฉดเออแกก็มาถวายตามาพอตอนฉันข้าตามาก็เออรับประเคนแต่ตามาก็ไปตักพมงเพิงมาอะไรต่างไม่แตะไม่กินท่านนั้นไม่ตักไม่เอาก็วางไว้เฉยแกก็นึกแปลกใจโทษมามาไม่เฉยก็ไม่พูดว่าอะไรอ้าวไปฉันบ้านน้องสาวน้องสาวมันก็รู้ว่าลวงพี่นี่ชอบกินแกงส้มกระเฉดสมัยก่อนชอบกินแกงส้มกรตามาที่แกงเก่ง แกงส้มแกงคั่วต่างๆแกงเก่งยำคงยำกบแกงเก่งเรื่องแกงเกลืองต่างๆนี่อาตมาเก่งเพราะมันต้องเลี้ยงน้องอ่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยอ่าน้องสาวมันก็หูปไปช่อนตัวเบลเลอร์เลยลอนไขมันก็เบลอเบลอร์ขนาดนิ้วโป้งเลยแหละเออเราก็รับประเคีนแต่ก็ไม่ฉันมันก็นึกแปลกใจอุตสาห์พุงเอาไข่ต่างๆก็ไม่ฉันไม่พูดรับประเคีนไม่ฉันอ้าวมาที่บ้านพ่อเอออ้าวเช้าเราเดินชมอยู่ข้างบนแคเห็นพ่อเข้าไปเล้าเปพ่อเลี้ยงเป็ดมันมีทั้งตัเมียตัผู้ พ่อคอล้ว ง, งไปเล่าเป็ดอ้าวแกก็ทําไข่หวานไม่เราแกก็เจียวไม่เราเราก็รับประเคีนแล้วไม่ฉันจะไม่ฉันได้ไงละ่ะเป็ดตัวผู้ตุัวเมียมาอยู่ด้วยกันก็เดี๋ยเกิดมันมีเลือดสายเลือดว่างไงละ่ะคเนี่ยตมาก็ไม่ฉันเพราะฉะนั้นก็เลยเล่าให้พ่อขวงังนั้นเลยขวงังแกถึงสลดีงละ่ะเนี่ยเพราะนั้นถึงไ้แกถึไงดได้บวชได้ไล่ะเป็นอย่างนั้นก็เล่าให้ขวังเพราะฉะนั้นที่เป็นหมงเป็นหมันกันก็เพราะเหตุอย่างนี้แหละเพราะเรื่องไข่เรื่องค้าในท้องแรงต่างอย่างเงี้ยถึงได้เป็นหมันกกบบ้้าางงไมม่ีลู แทงบ้างอะไรต่างบ้างเนี่ยมันเรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องละเอียดเรื่องของศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดนี่มันเป็นอย่างงี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้แหละเออหลวงปู่เทศท่านเลยขอบินทบาทให้เลิกโอ้โหหลวงปู่เทศท่านขอบินทบาทให้เลิกแล้วเราตั้งสัจจาวาชานี้จะไม่ยอมจะกินเจตลอดชีวิตพอหลวงปู่เทศท่านขอบินทบาทให้เลิกนะก็เลยทำไงเราเลยศรัทธาท่านแล้วก็บอกครับพอเช้า เขาก็จัดอาหารว่านั่นเอต่างๆก็ประทูใส่มาในบาศนั่นเองต่างโอ้โหผ่าฉันเสร็จทนาเดินจงกรมไม่ได้ปกติเราเดินฉันเสร็ จ, นน จ, ลมมรรจแล้วต้องเดินจงกรมเพื่ออาหารมันย่อยตามพระวินัยที่พระเจ้ากาล่าวว่อานิสงส์การเดินจงกรมอาหารย่อยง่ายเพราะปกติเราพระเสร็จเรียบร้อยแล้วปประมาณสิบเอโมงเราก็เดินจงกรมถึงเที่ยงแล้วจากนั้นไปนั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงลแล้วก็นอนแล้วบ่าย2องโมงก็ตื่นถ้ายสามโมงก็มาปัดกวานทำความสะอาดสี่โมงก็รับใช้บุธเทศส่งน้ําอย่างนี้อยู่กูบาจ เพราะฉะนั้นในกรณีนี้อวันนั้นพอจากการที่ไม่ได้ฉันนั่นมาสนานพอฉันเจเข้าพอเลิกฉันเจมาฉันขาวเข้าโอ้โหได้มีระเดินจงกลมไม่ได้เลยแผ่นดินมันหมุนโอ้โหพวดพวดพวดพว ด, พดหมดไรหมดพุงเลยนี่และครนี้เป็นอย่างไรอา น, นิสงกก์การฉันเจเราก็รู้อีก๋อการฉันเจนี่กินตัวมันไม่มีตดมันก็ไม่เหม็น เออกลิ่นจักรเแรกที่เคยเหม็นเหมนเนตมานี่ยทายามาเนี่ยกลัวกลิ่นจะมาเหม็นเออทายามานมาเช้านี้เขามีลูกกริ้งถวายมาอัตมา ก, กินตัวแรงพรมุมฐานมาเนี่ยมันเป็นงั้นราคะมันแมลงคณะตมาต้องมีลูกกริ้งทายอยู่ตลอดเวลาเออเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเมื่อเรากินเจรเรารู้เลยตดมันก็ไม่เหม็นแล้วตัวมันเบาใครมานี่ไม่เห็นตัวปุ๊บมันได้กลิ่นมาก่อนแล้วกิ่นคาวเขามันมาเลยนี่เรื่องจริง อ้ามาสมัยที่กินเจเนี่ยมันรู้เลยมันตัวมันเบาไม่ง่วงไม่เหงาไม่ซึมงั้นจะไม่นั่งสะ ง, กงกอกงอกแง่ก็ไม่สับังกอกงอกเง่เพราะว่าเจมันไม่มีอาหารที่จะทำให้เป็นมันเป็นนั่นอะไรต่างอา้าวมีใครสงสัยสงใจถามอะไรยังไงบ้างมีไหมอา้าวถามมาได้อา้าถามมาได้หลวงพ่อคะที่เรื่องสูบบุหรี่นะคะที่<อ>พระปานนะคะยังค่ะเอ<า>เ อ, เ, อเรือสูบบุหรี่ คราวนี้ในกรณีนี้เนี่ยอาตมาพอเลิกสูบบุหรี่แล้วว่าการปฏิบัตินี่ก็ไปสูบบุหรี่คราวนี้เมื่อไม่สูบบุหรี่แล้วไปที่ไหนนั่ น, น, นอะไรต่างก็ไปเชื่อหวงเกลือกทั่วหมดไปทั่วหลวงเกลือไ่ลวงเกียร์เขาหมดแล้วจิตเราก็สมองดิเขาสูบบุหรี่ก็สูบสบายใจก็าบองใสในขณะที่ใจก็าบองใสแล้วเขาตายไปเขาไปสวรรค์แใจเราเนี่ยโหกเกียรสูบบุหรี่เกียรสูบบุหรี่ใจเราสมองแล้วนี่เพราะฉะนั้นก็ได้ยินชื่อหลวงปู่แหวน ว่าท่านเหาะเหินเดินอากาศได้เขาว่าอย่างนั้นปีสองพันบกว่านักบินบินผ่านดอยแม่ปังแล้วเห็นปลูลอ ย, อยบนท้องฟ้าเราก็เลยไปเลยไปดอยแม่ปังไปไปค ร, รับท่านกำริหมจีวรหลักท่านนั่งพระเพียบอยู่ก็มีแม่ชีมีพระมีเนนั่งอยู่โอ้โหพระก้มกราบเท่านั้นเนี่ยพระก้มกราบผู้แหวนออว่าเออไหวพระอาลาหังนาะโอ้โหตัวมันเบาเยือก กาและอุตตาจิตุตาตัวมันเบาลอยไม่มีน้ำหนักจากนั้นปู่แหวนทกฟักบุหรี่มาให้สูบเลยถ้าเขาฟักบุหรี่มาใ ห, เาเาาให้เราก็จิตแวบไปเลยจิตแล้วมันชั่วเนี่ยจิตแล้วมันปุถุชนเนี่เออแต่ถ้าเป็นพระเจ้าท่านงบุหรี่ให้เราด้วยความที่เมตตาแต่เราล่วงเกินทันทีเลยเอออะไรวะข้านุ้งปู่แหวนเพรว่าห่อเหอินเดินอากาศได้ยังเลิกบุหรี่ไม่ได้จะไปพิพานได้ไง อือสู่มันไปงั้นเลนาพระคิดแค่นั้นนะท่านพูดเลยอือสู่มันไปงั้นเลนาเราก็เลยจุดไม่คีดส่งให้ท่านท่านก็เลยถามว่ามาจากไหนภาวนาวอะไรเออภาคเพียขนาจะถอยหลังศาสนาอย่างนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นอ้าวเกลียดผ้กากินหมากเพราะอะไรโอ้โหเบื่อเวลาไปล้างก็โถนน้ำหมากมันแดงโอ้โไปล้างก็โถนโอ้โหเราก็ต้องขัดใช้ทสายขัดแล้วเรารักษาความสะอาดนั่นมาก แต่ถ้าเอาไปอยู่กับลุงปู่ขาวลุงปู่ต่างๆนี้ท่านสะอาดมันไม่เหมือนกับที่เราเคยนั่นทั่วไปกระโถนในแกนเที่ยว ม, มาศเพราะในธรรมานี่จะไปส่นักไหนวัดไหนเดินทุ่งไปไปพักวัดไหนเนี่ยกระถงกระโถนโทนนีจะขอเทบวด บ, บ่ได้ขอทําความสะอาดหมดเมี่ยไปพักวัดไหนแล้วแต่ถ้าเดินทุ่งไปไปพักวัดไหนที่สลงสลาี่ดอกม้ทุเทียนเหี่ยวแห้งนี่เศษกระดงกระดาษยง ย, ยุ่งยักย่ายในสงครามพิเศษทีบร้อยถึงไปนี่อย่างนี้เลยห้องน้ำมุงสวมสาธุค่ะเนี่ยเรื่องจริงไปพักวัดไหนก็แล้วแต่ ตอนเดินที <to thr ice> <t un mesan> ่ลงไปจะป็นต้องไปพักวัดเนี่ยก็ดูเลยไอ้ไหนมีให้กูทํามั่งให้กูทํามั่งอ๋อนี่ดอกไม้เหี่ยวแห้งนี่ขี้ผู้ขี่เทียนเก็บให้เรียบร้อยไปซ่วมเพิ่มดูหมดสมบัาดให้หมดแล้วถึงไปลาบลาไปนี่เรื่องจริงกระถ or ร่วมกันสมพานเจ้าวาดวัดต่างกระถ or นี่มีเมียบ้วนน้ำหมากไว้เคลอบไว้เก่าไปคราบขออากาศเอาไปล้างไปล้างก็เอาทรายขัดขัดขัดให้สะอาดไดแล้วมาตั้งเนี่ยไปที่ไหนอย่างนั้นทั้งนั้นมันเป็นการละทิฐิมันนั่นในตัวเรานี่ เพราะฉะนั้นไปวัดไหนนั่นอะไรต่างนั่นแหละไปทําความสะอาดพระประธานโบสถ์อะไรต่างกรถานทูบเชิงเทียนขัดได้ก็ขัดมีทรายก็ขัดได้ทรายหลวงปู่ศรีเมื่อชมเชยพระเจ้าพระยาสต่างก็บอกโอ้ท่านมันสฉลาดแย่งเช็ดเท้าหลวงปู่คูบาอาจารย์หลวงปู่วัปพาอพระครูปัญญาวิสุทธ์พระครูปัญญาวิสุทธ์หลวงปู่บัวพาประพาสวัดป่าพระศรีตมเพลสเชียงใหม่จังหวัดน้องคายเอก็แย่งกันทํานุ่นทำนี้รับใช้ตมาก็แย่งเช็ดเท้าท่านบอกโอ้ยคนฉลาดทําบุญเนาะ มันรู้ไปหมดว่าเช็ดเท้าก็ทำบุญถือว่าคนฉลาดทำบุญนะระหว่างเนี้ยเอออย่างนี้เพราะห<อ>น้าตมาเนี่รองเท้าคูบาอาจารย์ตานี่ตมาจะมีผ้าเช็ดหน้าตมาไว้สาหราับไปเช็ดรองเท้าคูบาอาจารย์เ<อ>นี่ยผ<า>้ากากผ้านั่นเอตมาเพราะว่าบัดเช็ดเท้ทาของราบัณฑารแต่โลงทางร า, ง น, า, งางนี่าตมาเช็ดเท้ทาทั้งหมดลงุงท่องรองเท้านลวงพ่อชามกันภายบินสบายกลับมาขร่างล้างเท้ากันนั่นกัตมาก็เอาผ้าเช็ดหน้าผ้ากากตมาเนี่ยเช็ดทาว่าทายทีแล้วากิยกขา่านม่เพราะตมารับใช้หลวงปู่คูบาอาจารย์มาก และเท้าลุงปู่พระหลาหันเนี่ยผู้แหวนปูขาวปูฟั้นลุงปูเทศหลวงปูสิมหลวงปูคําดีหลวงปูต่างๆหลวงปูผางต่างๆหมดบนหัวตั้งมาในหัวตรงนี้ลานเหม่งนีเห็นไหแล้วพราะหัวตา้งมาในเท้าพระหลาหันเหยียบหมดงสังฆราชต่างๆเหยียบมาหมดแล้วดิบนหัวดิเออเพาหัวตรงนี้ลานไงล่ะเป็นอย่างนั้นถึงได้ปัญญาไงเห็นไหมล่ะอริยมรรคฐานนี่เงี้ยเห็นม่ตปั๊มๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยเห็นมากกระสุนยังไม่หมดเลย เออยังไม่ลาวีควังได้เยอะนะแหวนวงนี้มันมีค่าน้อยมันมีราคานี่หน่อยสวมแหวนไว้แหวนยังไม่ล่าวีควังเลยเออยังไม่ลาวีควังยังไม่ลาวควังเยอะเนี่ยหลายเรื่องเป็นยังงันสบายมากต้องต้องนิมนต์อีกวันหนึ่งอ่ะหรือว่าอืมเพราะนั้นเขขอว่าพ่ออย่าเล่าเรื่องเก่านะทีว่าไอ้หาของเก่าของดีเลยว่ะเออที่ดินมันมีตะแพงขึ้นแพงขึ้นของเก่าเออของมันมีค่า เอมันของจริงอ่ะเห็นไหมที่ชั่วโมงอาตมาเสียงไม่นั่นเลยเห็นไหมร้อค่ะเสียงมีพลังมากไม่ได้ดื่มน้ําดื่มชาอะไรมันมีพลังงานมันมีความจริงใจอ่ะคนมันมีความจริงใาจริงว่าใจจริงใจมันไม่กลัวจ้าสารเออมันไม่กลัวมันมีบาดแผลนะจ้าเออมันมีบาดแผลค่ะไม่มีชนักติดหลังค่ะเนี่ยก็เป็นอย่างนี้มันพี่มีความทะนงองอาจอบางคนก็ถามว่าเอ๊ะหลวงพ่อเป็นพระร้องเพลงได้เหรอไม่รู้ที ร้องได้ไป่ร้องได้แต่กูร้องได้อะตมาร้องได้เออเอาไหมระหว่างตมาร้องเพลงเนี่ยเแกตมาโยมพอดีนะที่วัดตมาเนี่ยขณะนี้กําลังสร้างห้องน้ําห้องส้วมยังไม่เสร็จโรงครัวก็ยังไม่เสร็จสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นยังขาดอยมานสามสี่แสนบาทงั้นมึโยมโย ม, ยม ช, ช่วยกันหน่อยนะแหมพูดนี้พูดหวานระาว่างตมาร้องเพลงควังไหนดีกัน ฮะถางจริงไอหาเรื่อะไรอีกแล้วเรื่อะไรอีกแล้ววัดน้ก็เรื่อะไรวัดนี้ก็เรย่อะไรที่วัดนี้ก็เรย่อะไรเรื่อยพ่อนี้มาจะเรื่อยไรไปสร้างสุ่ทองกู้พูดอีกแล้วก็นัตมาเนี่ยพูดให้ฟังอย่างนี้ร้องเพลงให้ฟังอย่างนี้ก็หว่างนัตมาพูดมูสาพูดโกหกหลวงนี่ไหนจะดีกันเพราะนัตมารู้นี่กูร้องเพลงกูไม่ตกหลกสักฆะอารมณ์มาทักกูอารมณ์ไม่ดีอย่าร้องได้ไงอารมณ์เศร้าหมองอะจิตเศร้าหมองจะร้องเพลงได้ไงอะฮะ เดือนตามดาวตกวิหกล้องเห็นไหม ประมาณใจคนความรักลอยเลยคนรักเอ่ยลวงล่อใจคนรอกจนตายใจเนี่ยก็ระหว่างที่จะมาพูดเลี่ยไรายถามจริงสบายใจไหมโยมันรมมาตอนนี้สร้างก็ดียังไม่แล้วฮะ ยอมเพื่อหน่อยนะห้องน้าห้องส้วมเดี <S 2> <S 2> ๋ยววันน้ายมไปพักที่วาตมาไปปฏิบัติธรรมท่วาตมานะตอนนี้ตามา ย, ยังเป็นหนี้เขาอยู่ตามาเขาจะทำงานแค่เห็นญาติโยมที่นั่ง ข, งขาวๆอยู่นี่แหละถามยิงสบายใจไหมเฮ้อไหนลรงจะาบาอีกละ่ะไหนจะซื้อที่ดินอีกละ่ะมุ่งพ่อก็จะมาเลื้ยลารีทองข้าพูมอีกแล้วกระบาอย่างเงี้ยฮ้เอเนี่ยก็ตมามันเลือกไงมันเลือกมันเลือกรู้จักจะใช้ยาขนาดไหนขนาดไหนให้ญาติเราตื่น พอใจไม่ให้ญาติเราตื่นไม่ให้นั่งสบะบงกงอกงอกแงเออเพราะมันจวนแจ้งแล้วหนาเดือนตกจะรับตาเป็นสัญญาให้พลาดจากกันนี่เราเอาา อ, อ เ, เ, เป็นงั้นเออเออเออเออเออเอองอเอองมอเอองมาเอ้เออเอมเออเออเออเออเออเอเออเออเเออเออเออเออ่ออเออาอนเออเรื่องเอ้เออเออนอเรอเออเออเออเออเออเออเองเออเออจออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเอเเเอเอ ฝรั่งมันเห็นคนไทยตบมือมันก็เลยตบมือบ้างแต่ย่อไปหมดฝรั่งมันก็ตบมือมันก็ฟังไม่รู้เรื่องกันก็ ต, ตบมือเ อ, อ, อัตมาร้องว่ายัางไงไกลแสนไกลสุดโค้งขอบฟ้าไกลสุดตาขวาไม่อาจกันใจห่วงสุดห่วง ใจนั้นแสนห่วงใยใจแสนไกลใจนั้นสุดขีดถึงแค่นี้พอแต่เขามีต่อ ว, ว่าว้าวรำพึงกับลวงข้าวรนบ่นอยู่บนท้องนาครวนตามสายลมมา บอกเธอว่าขาคิดถึงเป็นไงพอหากินได้มเนี่ยฮะพอหากินได้ไ้ยเนี่ ย, ย น, น, ยนี่เขาลงไปเลยจะติ๊กก็งงไปหมดเลยเ น, นี่ยจัติ๊กนิมนต์ไปเทศที่วัดท่านเมื่อวันที่สิบเก้าตุลาพศส อ, องพันห้ร้อยห้าสิสองไ้ห้าสิบ็ดวันกรถิ่นท่านท่านนิมนต์ไปเทศอัตมาคว้าไม้ได้ก็เอาเลย ไกลแสนไกลสุดของขอบฟ้าไกลสุดตาว่าไม่อาจกั้นใจห่วงสุดห่วงใจนั้นแสนห่วงใหญ่ไกลแสนไกลใจนั้นสุดคิดถึงเขาก็งงเลยพาเลยว่าลองเพลงแต่เขาตบมือกันฝรั่งเมื่อไรตบมือบ้างแด้ตำมามลายหรอเราหลายเพลงด้วยอ่ะเขาตบมือกันใหญ่ ครนแต่มาก็แปลดีเพราะเพลงแต่ละเพลงมันมีความหมายในตัวมันมันมีความหมายอยู่ในตัวของมันเหมือนทุเรียนเนี่ยมันก็มีคุณค่าอยู่ใต้หนามขยายไหมล่ะเออเม็ดมังคุดนี่ก็มันคุดกเหมือนกันมังคุดมันก็มีความหมายอยู่ในเนื้อของมันแต่เปลือกมันเนี่ยโหฝาดอย่าบอกใครอ่าบรวรพฤษมันก็มีคุณค่าในตัวของมันเพราะฉะนั้นแต่ละเพลงแต่ละเพลงมันมีคุณค่ามันมีความหมายฉะนั้นเน้นเอาเพลงนี้มานั่นเน้นเอาเพลงนี้มาหน่อยหนึ่ง อย่างนี้ไกลแสนไกลสุดโค้งขอบฟ้าเพราะเราจากบ้านจากเมืองกันมาอยู่กันในอเมริกาเนี่ยถ้าหากเรียกทางเครื่องบินเนี่ยสายการบินไทยจากสุวรรณ ภ, ภูมิไปสู่นคร ล, ลอสแอนเจลิสก็1มื่นสี่พันกว่ากิโลใช้เวลาบินทั้งหมดโดยไม่ได้แวะเติมน้ำมันที่ใดเลยก็1ิแปดชั่วโมงนี่1มืนแปดเอยหมื่นสี่พันกว่ากิโลใช้เวลาบินทั้งหมดสิบปดชั่วโมงแต่ามาบินไปนี่จาก สนามบินที่ดัดแลกมาลงที่นาฬิตะญี่ปุ่ม น, นี่ก็สิบี่ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าบินสำคัญบินไทยในบินจากสุวรรณภูมิไปก็18ดชั่วโมงจากกรุงเทพสุวรรณภูมิไปถึงนิว ย, ยอร์กหมื่นีกิโล <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจากบ้านจากเมืองไปอยู่ที่อเมริกาไกลแสนไกลสุดโค้งขอบฟ้าไกลสุดตาคว้าไม่อาจกั้นใจมันจะกลั้นได้ยังไงล่ะรู้มามีวัดไทยนั่นเอาเราก็ได้เป็นคนไทยเราไปอยู่ที่เมืองอเมริกา เพราะฉะนั้นมีวัดไทยพ่อแม่เราอะ่ะเราเป็นชาวไทยชาวพุทธแต่เราไม่ได้ผัวฝรั่งไปอยู่เมืองฝรั่งแต่คราวนี้ <c oughs> พ่อแม่เราเนี่ยพาท่อกรถินท่อระปาสวดมนต์ไหว้พระท่อกถิน่นท่รปาใสบาททําบุญกันมาเพราะฉะนั้นเมื่อได้ผัวฝรั่งมาอยู่อเมริกา ม, ม, มีวัดไทยขึ้นมา <c oughs> ก็เลยไกลแสนไกลสุดโค้งขอบฟ้า <c oughs> ไกลสุดตาคว้าไม่อาจกันใจไม่สามารถจะ ก, กลั้นได้ต้องมาทําบุญมาท่อกรถิ่นพ่อระปากันขับรถก็มาเป็นชั่วโมงชั่วโมง เพราะฉะนั้นก็มีความเป็นห่วงว่าที่วัดเนี่ยห้องน้ําห้องส้วงเป็นอย่างไรเออห้องน้ําห้องส้วงเป็นอย่างไรพระเน็นอยู่กันอย่างไรอาหารการกบฉันมีไม้เครื่องนุ่งเครื่องห่มมีไหมนี่ใจไกลแสนไกลใจนั้นสุดคิดถึงคิดถึงพุทธศาสนาคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราพาทําบุญทําบุญสนกันมาเพราะฉะนั้นเราไกลแสนไกลสุดคล้องกว่าฟ้าไปอยู่ที่อ เ, เมริกาฟ้าไม่อาจกั้นใจได้ต้องขับรถมากันไปชั่วมงชั่วโมง นี่เหมือนกันท่าอาจารย์ติ๊กนี่ท่านไปสร้างวัดที่ประเทศอังกฤษท่านว่าประชากรที่เป็นคนไทยประมาณสี่พันกว่าคนมาวานนัานโทรมาตอนบ่ายาวันนี้อาจารย์ถน อ, ง, องถามไปอาจารย์ติ๊กโทรบางหเปล่าละ่ะบอกโทรมาครับท่นบอกคิดถึงว่าไงเออเออบอก็บอกคิดคอดหลายเด้เสียว่าไงเออก็เลยปรากฏว่าวัดอาจารย์ติ๊กเนี่ยที่สร้างเนี่ย <c oughs> ห่างจากลอนดอนเมืองหลวงของประเทศอังกฤษก็ประมาณร้อยกว่าชั่วโมงไอ้ร้อยกว่ากิโล ประชากรที่อยู่แถวนั้นเนี่ยจะขับรถไปทําบุญเนี่ยตามวัดต่างๆก็หกชั่วโมงบ้างสี่ชั่วโมงบ้างแต่ถ้าหาว่าจะติ๊กไปสร้างวัดแจุดนี้ก็ขับมาชั่วโมงกว่าคเนี่ยเพราะฉะนั้นที่เลยไปเลือกเจาะจุดได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาก็จะนึ้ว่าเพลงมันมีความหมายไกลแสนไกลสุดโคง้งขอบฟ้าเพรา ะ, ะนั้นปู่ย่าตายายเรายพากันทอกรถินทอปลาสร้างวัดสร้างวากันมาอย่างนี้ เราก็ไม่ลืมกํามพืชของเราเราก็ไม่ลืมสันดานเดิมของเรานี่เพราะฉะนั้นมีวัดมีวาอยู่ในต่างประเทศเราก็เลยสนใจที่ไปไหว้พระสวมมนฑ์ไหว้พระไปทําบุญทอดกรถิทนทอดกระป๋าต่างๆเพราะฉะนั้นส ม, มาชิกเขาไม่เข้าใจส ม, มาอิกพระอะไรวันร้องเพลงไป ไ, ปไปมาโอ้โหชอบใจกันใหญ่เออวันนี้หลวงพ่อจะร้องเพลงหรือเปล่างั้นไปบิณฑบาตวัดไหนเวลามีงานวันนี้พ่อร้องเพลงหรือเปล่าถามมัน วันนั้นจำการที่ว่าจะติ๊กอะวัดเวลาตอนเช้านะเออวัดเวลาตอนเช้าพอตอนที่กคืนที่มาร้องเพลงอะไรต่างไปแล้วนั่นเออวัดเวลาก็เดินบิณฑบาตกันหลวงปู่บัวก็เบินเออพานั่งรถเข็นหน้าหน้าอาตมาก็เดินบิณฑบาตก็มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งแล้วก็ผู้หญิงอีกสองคนหลวงพ่อหลวงพ่อแม่เมื่อคืนหลวงพ่อร้องเพลงเพราะจังเลยร้องให้ความใหม่สินะร้องให้ความใหม่สิฮะอาตมาก็เอาทันทีเลย